มีคนไทยจำนวนมากนะกำลังมีความทุกข์นะทั้งทั้งที่คอสอชอประกาศว่าคืนความสุขให้ประชาชนไทยแล้วนะที่ทุกข์ก็เพราะว่าทีมชาติไทยที่ไปแข่งเอชิ่นเกมนะหลายทีมที่เป็นตัวเต็งนะแพ้นะไม่ได้เหรียญทองนะอดชิงชนะเลิศนะ แลที่แพ้นะก็เพราะว่าเชื่อว่าถูกโกงนะนะไม่ใช่ใครโกงหรอกนะ้าภาพนะเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แค่ไม่ใช่แค่เสียใจยธรรมดานะแต่มีความโกรธความเกลียดทีมไทยถูกโกงตั้งแต่โน่นแบดมินตันนะเทควันโดฟุตบอล น, นะมวยนะ แ่งกับเจ้าภาพเมื่อไรก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะอันนี้เป็นความเห็นความวิจารณ์ของอหลายคนนะามสื่อต่างๆในความเสียใจความไม่พอใจเวลาหรือเชื่อว่าถูกโกงเนี่ยนะบางทีเราต้องกลับมาดูมาถามใจตัวเองนะว่า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 แต่พอเราได้เงินเดือนมากกว่าเพื่อนร่วมงานเราก็เงียบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครๆพูดว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นนะถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นเขาก็จะไม่พูดว่าไม่เป็นธรรมอันนี้ใช่ไหมนะลองดูอ่าลองดูที่สั ง, สงเกตุที่โวยโวยกันเนี่ยนะนะไม่ว่าในสำนักงานหรือในที่เป็นข่าวเนี่ย ถ้าเมือ่อใดก็ตก้องบวชไว้ว่าไม่เป็นทรรมไม่เป็นธรรเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ล่วงหน้าวันเนี่ยเป็นเพราะเขารู้สึกวเขาได้น้อยกว่าแต่ถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นเขาก็จะเงียบนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ยืนตั้งอยู่บนหลักการแต่ว่าเอาความถูกใจเป็นหลักความถูกใจนี่เขาเรียกว่าอัตตาธิปไตยนะ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 เราก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นไม่ต้องโกรธนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยนะไม่ต้องเกลียดนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยมันไม่มีฝัง่งไม่มีฝ่ายนะเวลาเราดูกีฬาเนี่ยให้เราลองนะลองมากีฬานี่เหมันก็เป็นเครื่องทดสอบนะว่าเรามีใจเที่ยงธรรมหรือเปล่านะถ้าทีมที่เราเชียร์หรือทีมของเรานะไปโกงเขาไปทําฟาว แล้วก็ไม่มีใครรู้กรรมการไม่เป่าเออเราก็เฉยๆอันนี้แสดงว่าไม่ถูกต้องแล้วนะถ้าทีมเราทำฟาวไปโกงเขานะออถึงแม้จะได้ประโยชน์แล้วก็เห็นว่ามันไม่ถูกนะเวลาคนของเราไปว่าไปใส่ร้ายคนอื่นนะถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็นะก็ต้องพักต้องทวงนะ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 อันนี้มันก็เป็นเครื่องทดสอบนะใจิตใจเราได้เหมือนกันทีลนะาก็ตีนะหรือว่าการบ้านการเมืองก็ดีเวลาเรารับรู้เนี่ยแล้วเราไม่พอใจก็ต้องถามเราว่าถามตัวเองอยู่เสมอว่านี่เป็นเพราะความไม่ถูกใจหรือเพราะความไม่ถูกต้องนะถ้าความไม่ถูกต้องนี่มันไม่มีพวกนะเกิดขึ้นกับไทยก็ไม่ดีทั้งนั้นนะ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 เพราะาถ้าเอาความเป็นนักกีฬามาครองจิตครองใจมันก็จะคิดแต่เรื่องชัยชนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้ามีความเป็นมนุษย์เนี่ยชัยชนะมันก็จะสําคัญน้อยกว่าการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนโดยที่ไม่มีฝักไม่มีฝ่ายเนี่ยชาวพุ้นนี่เขาจะจะไม่ติดสมมุตินะไอ้ทีมชาติทีมน้นทีมนี้มันก็เป็นสมมตินะ ที่จริงความเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นสมมติอยู่นะแต่เป็นสมมุติที่มันกว้างกว่าประเสริฐกว่าความเป็นชาตินั้นชาตินี้เป็นมนุษย์ที่ยังเป็นสมมตินะเพราะว่าในความจริงทัานปรมาลัยเนี่ยมันไม่มีมนุษย์นะมันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีนภาษาแล้วความเป็นชาตินะบางทีเราไปติดเยื่อกับความเป็นชาติมากจนทั่งเราลืมความเป็นมนุษย์นี่แย่นะหรือว่าติดเร่อความเป็นมนุษย์จนไม่สนใจสัตว์ นะอันนี้ก็ไม่ถูกนะเอาความประโยชน์สุขของมนุษย์เป็นหลักจนลืมประโยชน์สุขของสัรพสัตว์อันนี้ก็ไม่ถูกต้องจ ะ, จะเป็นมดจะเป็นแมลงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสถานะหรือควรได้รับความเมตตาจากเราเหมือนกันอย่างที่พูดเมื่อวานนะพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตเพื่อช่วยลูกเสือแม่ถูกแม่กินอันนี้เรียกว่าท่านไม่ได้สนใจนะว่าสัตว์หรือคนล้วนแต่มีคุณค่าสําหรับ ความเมตตาทั้งสิน้นเตรียมรับพร